น่ากลุ่มโดยดังตรินตอนที่สี่สิฮ่าคนกำลังจะล้นโลกแต่นักวิทยาศาสตร์ดันค้นพบยาอายุวัฒนะของจริงงานนี้นักวิจัยชาติสเปนเป็นฮีโร่กล่าวคือเขาสามารถจัดการกับหน่วยพันธุกรรมของหนูทดลองจนมันมีอายุยืนยาวกว่าปกติอีกเกือบครึ่งเท่าตัวนี่แปลว่า อีกหน่อยไม่ใช่คนล้นโลกอย่างเดียวคนที่อยู่ส่วนใหญ่ยังแก่ด้วยตราบใดยังไม่มีใครค้นพบนกลไกละลายความเบือ่อตราบใดยังไม่มีใครค้นพบตัวยาทำลายความทุกข์จากการมีชีวิตยืนยาวตราบนั้นอย่ากังวลเลยครับว่าคนจะอยากเป็นอมตะ หรือกระทั่งอยากมีอายุยืดต่อไปเรื่อยๆจนชั่วนิรัน์งานวิจัยที่ประสบความสำเร็จขั้นต้นในปัจจุบันค้นพบยีน3มชนิดของหนูที่กำหนดอายุไขให้เซลล์ของพวกมันและนั่นก็น่าจะกลายเป็นเทคโนโลยียืดอายุมนุษย์ได้ถึง125ปีเป็นลำดับต่อไปแต่เทคโนโลยีดังกล่าวยังไม่ไปไกลขนาดช่วยรักษาความเต่งตึงของผิวหนังแลวก็ยังไม่รับประกันว่า แ, แข็งแรงเหมือนต้นไวยหรือกลางไวยไหมแปลว่าอย่างอายุวัฒนะขนาดนี้คงทำให้เราอายุยืนอย่างเหียวย่นอยู่ดีนะับเป็นเรื่องน่าเบื่อหน่ายหรือกระทั่งทรมานใจสำหรับคนส่วนใหญ่ถ้าต้องฝืนครองสังขารอันโรยราไปอย่างไม่มีกำหนดสิ้นสุดไม่ต่างจากโดนขังลืมในคุป ก, กลางทะเลทราย นั้นประกันได้ว่าถ้าโครงการวิจัยนี้จะเรื่องชื่อว่าประสบความสําเร็จจริงก็ต้องไม่ใช่แค่ยืดอายุแต่ต้องยืดความอ่อนยาวได้ด้วยอันที่จริงอย่าอายุวัฒนะไม่ใช่เรื่องใหม่แถมยังไม่ใช่ความพยายามเพียงด้านเดียวที่จะทําให้ชีวิตมนุษย์ให้เป็นอมตะทุกวันนี้ก็มีการค้นคว้าวิจัยเพื่อให้สามารถปลูกถ่ายอาวัยวะแทนของเดิมชนิดสมบูรณ์แบบร้อเอร์ซซึ่งหากทําสําเร็จ ก็แปลว่าเผ่าพันธ์มนุษย์จะกำหนดให้ตนมีอายุยืนยาวออกไปแค่ไหนก็ได้หรือกระทั่งจะมีหน้าตาอย่างไรระดับไวัยไหนตายตัวก็สบายเลยยังไม่มีใครทดลองแต่คุณคิดดูก็แล้วกันว่าถ้าเด็กคนหนึ่งโตขึ้นมาจนเป็นหนุ่มเป็นสาวและหยุดอายุไว้ตรงนั้นร่างกายยังคงเหมือนหนุ่มสาวอายุ20ไปนับร้อยปีอะไรจะเกิดขึ้น อย่านึกแต่ในแง่ดีนะครับเอาง่ายๆคุณกับแฟนมีรูปร่างหน้าตาเหมือนเดิมเปรียบตั้งแต่วันแรกที่เจอกันยันปีที่90แน่ใจรู้ว่าจะยังคงรักกันหวานแหววซาบซึ้งดื่มดำ่ำไม่อยากเปลี่ยนคู่เลยตลอดเวลาที่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันผมว่าเกินกว่า99จากร0 0คู่ต้องอยากเลือกคนใหม่มาเปลี่ยนแทนเป็นแน่เราจะเอาอยัางไงครับ มันคงกลายเป็นข้อตกลงทางสังคมแบบใหม่เมื่ออยู่ไป50บปีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสิทธิ์ขอเปลี่ยนคู่แบบไม่มีสิทธิ์อิดเอื้อนกระมังถ้าแก่ลงตามธรรมชาติเหี่ยวย่นและเบื่อหน่ายเนื้อหนังอย่างปกติ <c oughs> ก็เป็นไปได้ครับที่คุณจะอยากอยู่กับคู่ครองเพียงคนเดียวเพราะยิ่งวันร่างกายจะบีบให้คุณใจฝ่อไม่มีกระจิตกระใจไปหาใครใหม่อีกแต่หากวันหนึ่ง ยาอายุวัฒนะไม่ใช่แค่ยืดอายุให้ยืนยาวทว่ายัางรักษาวความแต่งตึงและความรู้สึกเกี่ยวกับเพศร ถ, รถไว้ไม่ให้เหือดแห้งโลกคงโกลาหนด้วยความผิดธรรมชาติอีกนานับประการเช่นคงไม่มีใครรู้สึกว่าทํางานเลี้ยงลูกจนโตแล้วหมดหน้าที่มันเป็นแค่การปิดบัญชีงานใหญ่งานหนึ่งเพื่อเตรียมรอโปรเจกต์ใหม่ต่อไปแล้วคนอายุร้อยที่มีใบหน้าอ่อนยาวเท่าเลหลนหลน ความรู้สึกเป็นอย่างไรไม่มีใครเดาถูกแต่คุณคาดหมายได้เลยว่าระบบการเคารพอาวุโสของพี่นาถแหลกเหลวลงทั้งหมดเด็กรุ่นเหลนที่เห็นหน้าปู่ทวดคงกระดากหากต้องเอ่ยปากเรียกปู่ทวดเป็นแน่นักวิทยาศาสตร์ได้แต่ค้นคว้าในสิ่งที่สนองตอบความทยานอยากจากส่วนลึกของมนุษย์แต่ผมว่าไม่มีส ก, กิรายรครับที่มานั่งคิดสารตะว่า จะเกิดผลอะไรตามมาขอเพียงสนองตัญหาเบื้องต้นได้สำเร็จเถอะส่วนใหญ่จะพูดง่ายๆแค่ว่าทำตรงนี้ให้สำเร็จก่อนเดี๋ยวรู้เองว่าจะเกิดอะไรขึ้น